ขออหมูธนานะเวลากลางวันพักกลางวันพักกลางวันด้วยแล้วก็ได้ฟังธรรมะเนี่ยถ้าใครเห็นคุณค่าของธรรมะเนี่ยแสดงว่าจิตใจเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเวลาเที่ยงวินเปหลังจากรับประทานอาหาร ส่วนใหญ่ก็พักผ่อนใช่ไหมแต่นี่เราก็เอาเวลานั้นมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าเป็นที่น่าชื่นชมอันนี้ต้องพอใจตัวเองด้วยนะความรู้สึกพอใจตัวเองเนี่ยมันทำให้จิตของเราอะ่ะมันมีพลังถ้ามันตำหนิตัวเองนี่ หงอยนะหรือใครตำหนีตัวเองแล้วมีพลังไอ้แกมเย่เร็วใจไม่ได้แค่นี้ก็สู้ไม่ไหวไม่ได้เรื่องได้เรายังไม่ทำายิ่งกำลังยิ่งเพิ่มมีไหมเพราะนั้นอันไหนที่มันเป็นความดีมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจมันทำให้จิตใจเราดีขึ้นมา ใจดีโดยเว่าใจดีก็คือใจที่มีสตินั่นแหละมีสมาธิมันกระทำอะไรก็ดีไปหมดอัตจิตมันดีละทำการทำงานก็ดีด้วยจะพูดจาก็ดีคิดออกมาดีพูดดีทำดีชีวิตเราก็ดีขึ้นเจริญขึ้นชาตินี้ก็เจริญขึ้นถ้ายังไม่พ้นทุกชาติต่อไปก็เจริญขึ้นเรื่อย สุดท้ายก็ต้องบรรลุตามพระพุทธเจา้าเนี่ยทางเดินเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องเริ่มต้นบนพื้นฐานของความดีเริ่มต้นตอะไรไม่ดีอ่ะรู้แล้วอามันไม่ดีรีบทิ้งเลยรีบทิ้งแต่ถ้าเคยทำมาบ่อยๆเคยชินนะเคยชินทิ้งยากต้องฝืนหน่อย นี่แหละที่พระุทธเจ้าจําเป็นต้องใช้ความเพียรชนิดที่เรียกว่าอาตาปีหมายความเพียนเผากิเลสให้เราล้นเอาชนะใจเราซะก่อนใจเราส่วนที่มันไม่ดีอะ่ะมันมีนะไอ้จิตใจที่มันสั่งสมไอ้นี้ใสไม่ดีอันนี้เป็นวิบากเขาเรียกวิบากนะไ อ, ไอ้ไอ้ความคิดที่ไม่ดีมันออกมาจากวิบากวิบากนี่คือผล ของกรรมเก่าในอดีตใครเคยโกรธบ่อยๆนี่เดี๋ยวอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะโกรธอยู่เรื่อยอะ่ะใครเคยบ่นก็บ่นอยู่เรื่อยจู้จีจ้จุกจิกอยู่นั่นแล้วถ้าได้พูดได้บน่นได้แสดงความโกรธแสดงความยิ่งใหญ่ออกมามันจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีเพราะอะไรเนี่ยแหละมันเคยชินมันสั่งสมเอาไว้นานแล้วเพราะฉนั้นถ้ามันมาทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราไม่ทําตามมัน ตั้งสติดีๆ ด, ดูเลยดูแล้วไม่ทำตามมันนี่แหละวิธีใช้กรรมแต่ถ้าไปตำหนิตัวเองอุย้ยเราแย่เราเลวทำไมคิดอย่างนี้ก็คิดได้แทนที่จะได้ประโยชน์โง่ซ้ำก็ไปยิ่งโง่หนักกว่าเก่าไหนกรรมเก่าความเคยชินเก่าๆให้ผลในปัจจุบันแทนที่จะรู้ทันรู้ว่ามันเป็นกรรมเก่ารู้ว่ามันเป็นวิบากของกรรม รู้เป็นเรื่องของความเคยชินของจิตเราเองเราไม่ได้อยากให้มันเป็นอะมันคิดขึ้นมาเองมันนึกขึ้นมาเองรู้แล้วก็แทนที่จะปล่อยวางอะเราแย่แล้วไม่ไหวแล้วทําไมเราเป็นอย่างนี้หนักเข้าไปอีกสมน้ำหน้าเลยเนาะสมน้ำหน้านะเนี่ยถ้าใครรู้ว่าตัวเองมันผิดพลาดบกพร่องมันไม่ดีแล้วยังจะมาตอกย้าซ้ําเติมตัวเองแล้วแล้วเราเราทุกข์แล้วทุกข์อีกใช้ไม่ได้ เอามาเป็นบทเรียนอะดีว่าโอ้ทาแล้วมันไม่สบายใจเนี่ยมันปรุงแต่งอย่างนี้เองมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองอแล้วก็รีบตั้งใจเอาไว้เลยจะแก้ไขจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ทํแล้วแบบเนี้ยจะแก้ไขแค่นี้เป็นบุญขึ้นมาเลยนะเป็นกุศลแล้วนะเนี่ยยไอ้จากไม่ดีนี่กลายเป็นดีไปเลยไอ้จากเป็นอกุศลนี่เป็นกุศลเลย นี่เอาง่ายๆอย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากหรอกอะไรที่มันรู้สึกว่าเราผิดพลาดบกพร่องอะอย่าไปตอบย้ำทำเติมมันตั้งใจเอาไว้จเจ้ามาเป็นบทเรียนมาสอนจิตใจเราให้มันเห็นโทษมาทําแล้วมันเป็นทุกข์ทาแล้วมันเดือดร้อนทุกข์นี่มันมาสอนเนี่ยมันจะได้เข็ดขยานบางคนทุกข์ก็ไม่เข็ดขยานนะตอนทุกข์นี่จิต ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอหายทุกมาเอาอีกแล้วเอลืมอีกไม่เข็ดเขาเรียกไม่เข็ดก็สมน้ําหน้าอีกอะ่ะมันไม่เข็ดเอาให้มันเข็ดเอาเรื่องไหนที่มันทําให้เราเป็นทุกข์อะ่ะมันต้องจดจำสิเนีย่ยความทุกข์มันมาสอนสมัยสมัยเป็นฆราวาส ช, ชอบอ่านของท่านพุทธทาสนะเนี่ย ท่านบอกว่าไอ้ความทุกข์มันมาสอนมันมาตบหน้าเอาฉันใช้คาว่ามันตบมาตบหน้าเอา่ันวะเออก็คือมันเป็นทุกข์นั่นแหละมันเจ็บปวดทรมานเพราะความทุกข์เนี่ยมันมาสอนทำให้เราไม่ประมาทแต่เราต้องรับมือกับมันนะรับมือกับมันให้ได้พยายามมีสติไว้เพราะนั้นสติในจริงสำคัญมากพยายามมีสติรักษาจิตเอาไว้ ถ้ามีสติจิตมันก็มีสมาธิมีคนเขาก็มามาถามว่าเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงก็ว่าเราก็ถาม่าแล้วปฏิบัติยังไงอยู่เขาก็บอกพุโทโธพุธโทโธอยู่อ๋อถ้าหากว่ายังพุโทโธอยู่ก็พุโทโธต่อไปสิเออก็คือให้เพียนนั่นแหละเพียนเจริญสติเพียนทมต่อไป ถ้ามันอยู่ในขั้นที่กำลังควบคุมจิตอยู่เราก็ต้องควบคุมให้มันอยู่ควบคุมให้อยู่เนี่ยก็คือมันเป็นสมาธิสมาธินี่เป็นผลนะสตินี่เป็นเหตุเนี่ยสติเป็นเหตุการกระทำเป็นเหตุหการปฏิบัติเป็นเหตุปฏิบัติก็คือทำสติเจริญสติพยายามมีสติพยายามส้ำรวมระวงังพวกนี้เป็นเหตุให้พอใจสร้างเหตุ เท่านั้นส่วนส ง, งบไม่ส ง, งบนี่เป็นผลเราอย่าไปเน้นที่ผลส่วนใหญ่เน้นที่ผลนะพอปฏิบัติปุ๊บก็อยากส ง, งบเลยอ่ะมีแต่จะส ง, งบเลยหรือบางคนก็อยากได้ปัญญาไปเลยอยากได้วิปัสสนาอยากปล่อยอยากวางอยากให้ทุกข์มันดับ เหตุมันยังไม่พอผลมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็มาสอนจิตเราให้เข้าใจพราเออเราต้องสร้างเหตุให้พอถ้าเหตุไม่พอมันจะเอาจิตไม่อยู่พอเราจะคุมจิตเอาไว้แล้วมันดูลมบ้างตามดูลมเข้าลมออกหรือลมเข้าพูดลมออกโทรพูดโทดโดจิตก็หลุดออกไปเดี๋ยวก็เพลินไปเดี๋ยวก็ไหลไป เราจะมาท้อใจไม่ได้เพราะอันนี้มันถูกแล้วการที่เห็นว่าจิตมันไหลออกไปเนี่ยถูกแล้วการที่จิตมันออกไปเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์แล้วก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์เพราะนั้นจิตอยู่เฉยๆไม่ได้จิตต้องไหลไปออกไปนี่แหละคือธรรมชาติของจิตถ้าใครปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นอย่างนี้นะ เออนั่นะเริ่มเห็นจิตแล้วเริ่มเห็นธรรมชาติของจิตแล้วเริ่มรู้สึกแล้วทีนี้พอเห็นอย่างนี้ก็อยากให้มันสงบทีนี้อยากให้มันอยู่เอาก็ถูกอีกเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายนี่การปฏิบัติธรรมมันก็ค่อยๆรู้ไปด้วยนะเวลามันสงบเนี่ยจิตมันก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ความรู้สึกที่เกิดจากจิตเนี่ยก็เรียกว่าญาณญาณในสมถะก็มีนะ เวลาแค่จิตอยู่เริ่มอยู่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาเล็กน้อยขัน้นนิกาสมาธิก็ตามจิตมันก็เริ่มรับรู้โอ้จิตอยู่นิสายเนี่ยพอจิตพับออกไปโอ้โหกลับเข้ามาแล้วมันรู้สึกมันเหนื่อยรู้สึกว่ามันไม่สบายอะ่ะมันอยู่แล้วเป็นไปปั๊บเนี่ยไม่สบายตรงนี้มันจะเบื่อหน่ายมากเลยนะจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากปฏิบัติเกียรติค้านมันจะเหมือนกับตัวเองไม่มีบุญไม่มีบรารมี เพราะใจมันอยากสงบอ่ะมันเคยสงบมันได้ผลน่ะมันรู้สึกสบายขึ้นมาในจิตบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะหรือสังเกตแต่มันไม่ลึกซึ้งในจิตเราอ่ะเราจับไม่ทันความว่ามันมันคืออะไรแต่ที่นี้ถ้าเราได้ฟังคาอธิบายเราจะเข้าใจอ๋อเป็นเพราะจิตเราเนี่ยมันมันมันมีญาณมันมีญาณเวลามีสติรักษาจิตจิตเริ่มเป็นสมาธิมันก็จะมีความรู้ของจิตเกิดขึ้น รู้ว่าถ้าจิตสงบเนี่ยมันจะสบายถ้าจิตเผลอเพลินออกไปมันจะไม่สบายมันเป็นทุกข์ตอนนั้นปัญญาเราไม่ทันตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนหนายอะรู้สึกมันไม่สบายมันเบื่อขึ้นมาบางคนก็จับไม่ทันก็หลงเบื่อไปเลยเบื่อการปฏิบัติหรือเบื่ออยากสงบไม่อยากคิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นกลายเป็นความอยากไปต้องรู้ทันตัวเบือ่อรู้ทันตัวอยาก มีสติรู้ไปเรื่อยรู้ให้ทนันนี่คือรู้จิตแล้วส่วนใหญ่จะไปเพ่งเล็งเอาแต่นู่นไอ้ใหญ่ใหญ่นู่นจะเพ่งลมบ้างจะเพ่งอยู่กับพุทโธบ้างไอ้ทีนีไ้ไอ้เวลามันมีนมอะไรขึ้นมาในจิตอะเราไม่ทันมันอะเนี่ยไอ้ตัวดูตัวรู้เนี่ยมันมีไอ้ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะมีความคิดความนึกปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันเลาเราภาวนาไปเสร็จแล้วมัน มันปรุงแต่งมันงุดงุดงุมันอยากสงบมันมันก็ปรุงแต่งเรื่องจะอยากสงบอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมันไม่สงบอย่างก็ไม่รู้อีกอะ่ะพอไม่รู้ปับ๊บมันก็ไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะเนี่ยขาดสติไปแล้วมันไปจมอยู่กับไอ้ความอยากสงบไปจมอยู่กับไอ้อยากให้ อ, อ, อสิ่งที่เราไม่ต้องการหายไปหรือบางทีมันคิดไปเพลินไปกับความคิดเราก็ห ล, ลงคิดไป คิดงุดดงุดงุดไปกับความคิดเนี่ยไหลไปกับความคิดเพลินไปกับความคิดก็ไม่รู้สึกตัวอีกหรือบางทีแม้แต่เป็นสมาธิขึ้นมาแต่ว่ามันมันเป็นสมาธิแบบไม่รู้สึกตัวแบบเข้าไปจมอยู่ข้างในอ่ะแบบไปจมอยู่แบบมันไม่รู้ตัวมันเข้าไปบางทีเข้าไปแล้วจิตมันสว่างอยู่ข้างในอ่ะในตัวจิตมันมีแสงในในตัวนะมันมีความสว่างอยู่ในตัว บางทีมันปุ๊บเข้าไปข้างในมันไปเห็นจิตสว่างแต่ไม่รู้สึกตัวเลยนะมันก็ไปหลงอยู่กับความสว่างอันนั้นละเอออยู่ข้างในเออือไม่รู้เรื่องรู้เลาอะไรเลยนี่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นต้องให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเี่ยสัมมาสมาธิต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อม ต้องตามดูกายตาดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมหรือท้ามันนิ่งแล้วมันพอตามดูอะไรได้ดูไปเลยดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตดูธรรมก็ได้นี่เรียกวมีสติสัมปชัญญะพอเริ่มมีสติสัมปชัญญะเนี่ยสมาธิเรียกว่าแนวแนวของพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะขอนสมาธิในแนวของพระพุทธเจ้าต้องมีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็มีการสังเกตตัวสังเกตคือตัวสัมปะชัญญะสังเกตว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะจิตเราดูอะไรอยู่ดูแล้วเป็นยังไงนี่คือสังเกตมันสังเกตการนี่เรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็ขยายกว้างออกไปกว้างออกไปเรียกสัมปะชัญญะตัวสัมปะชัญญะนี่สุดท้ายก็กลายเป็นปัญญา เ ป, เ, ปเป็นปัญญ า, าเป็นปัญญาญาเป็นญาณเริ่มต้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะแต่จริงๆแล้วสัมปชัญญะเนี่ยมันมันมันพัฒนาไปเป็นเป็นปัญญาญานชนิดที่ถึงขั้นหลุดพ้นเลยอะ่ะก็ยังเป็นสติสัมปชัญญะได้เพราะนั้นตอนตอน้ตนๆ น, นี่เขาจึงไม่ค่อยเรียกว่าเป็นปัญญาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิต ตามดูไปแล้วก็สังเกตไปด้วยดูกายดูเวทนาก็ดูจิตไปด้วยว่าจิตเราอยู่ยังไงนี่เราว่ารู้สึกตัวพยาพยามพยายามพยายามคือตัวจิตเนี่ยมันเป็นนามารมอะบางทีบางทีเราเราเร า, เราดูจิตเนี่ยมันหลุด ง, ง่ายมันเผลอเพลนง่ายเราก็เอามาดูกายดูกายก็ดูยังไงล่ะ ดูลมก็นี่กับกายแล้วลมเข้าลมออกลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมมันเป็นยังไงได้เหมือนลมมันเบาลงไปแล้วมันก็อาจจะมาดูชัดที่กายทั้งก้อนหรือว่ามีอาการสราบซ่านไปตามสารบางร่างกายก็ยังอยู่ในในในแง่มุมของร่างกายอยู่ต่อมามันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นชัดเวทนาก็ได้ เวทนาก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดอย่างเดียวอาจจะเป็นพวกปีติพวกอิ่มเอิพวกสุขพวกอะไรก็ได้นะทั้งสุขเขาเวทนาทั้งทุกขเขาเวทนาสุดท้ายมันปล่อยมันวางมันไปดูพวกนี้ว่าไม่ใช่ของเรากร็กลายเป็นธรรมแม้ดูลงก็สุดท้ายกลับไปเป็นสติปัฏฐานทั้งสีเป็นไปเพื่อการปล่อยวางหรือดูอิยาบทแม้นั่งอยู่ก็รู้สึกว่านั่งอยู่ถ้าใครซึมบ่อยๆ อ, ยอะ รู้สึกเวลานั่งไปแล้วมันชอบซึมเนี่ยแทนที่จะไปดูลมหรือว่าดูเข้าไปข้างในลึกๆอ่ะอย่าเพิ่งให้มันลึกเข้าไปขยายความรู้สึกดูอาการนั่งไปเลยรู้สึกว่านั่งอยู่ยังไงนั่งอยู่ยังไงอันนี้หมายความว่าให้ความรู้สึกตัวของเรามาครอบคุมกายเอาไว้นี่คือให้มันจิตมันขยายมันมีความกว้างมันขยายกว้างเนี่ยมันมันมันมันหลับยากพยายาม รู้สึกว่านั่งอยู่ยังไงนั่งอยู่ยังไงมันครอบกายเอาสติมาครอบกายไว้เอาสัพพัญญาครอบกายไว้จิตเราก็เลยเหมือนมันกว้างแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปดูลมลมนี่มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถ้าสติมันดีสัมปชัญญาดีมันก็ตื่นมันก็ยิ่งดีอย่างนั้น่ะก็ได้ผลดีเพราะว่ามันมีสมาธิรองรับสมาธิก็ลึกซึ้งด้วย แต่ถ้ากรณีที่สติสัมปัญญาเราอ่อนนะเรารีบอยากสงบเร็วอยากได้สมาธิเร็วแล้วก็เข้าไปเข้าไปกันลึกเข้าไปสุดท้ายกันหลับไปสปงบงึบงึบงึบหายเงียบไปก็ไม่ได้อะไรอ่อะเพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องมาสังเกตด้วยว่าเราปฏิบัติแล้วทำยังไงมันได้ผลนะเราก็ต้องทำให้มันพอดีกันเราอะ่ะ แล้วก็ไม่ต้องอยากหรอกไม่ต้องอยากเสงบไม่ต้องอยากได้ น, นู่นได้นี่ไม่ต้องกลัวติดนั่นติดนี่พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่ต้องไม่ยินดีไม่ยิน้ายไม่ต้องไปกลัวมันกลัวนี่คือเนี่ยหลงยิน้ายไปแล้วต้องไม่ยินดีไม่ยินไล่เลยเป็นยังไงช่างมันเลยรู้แล้วปล่อยอย่างเดียวเลยมันมาเพื่อให้เรารู้รู้แล้วเพื่อการปล่อยเพื่อการวางในละป้าหมายของการปฏิบัติพอเริ่มต้นปฏิบัตินี่อย่าไปสร้างอุปทานขึ้นมา สร้างอุปทานในการปฏิบัติมันก็คือมีตัณหามีอุปทานมีความอยากอยากสงบ ก, กลัวไม่สงบอยากได้สมาธิอยากได้ปรรัญญาอยากได้ขั้นนั้นขั้นนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นมาก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันกั้นหมดแหละต้องปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยอย่างเดียวเลยเพราะนั้นคาว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือปล่อยปล่อย ปล่อยวางแต่กรณีที่มันซึมมันจะหลับอย่างนี้เราก็ต้องหาอุบายแก้ไขเช่นขยายความรู้สึกออกมารู้สึกว่านั่งอยู่ยังไงหรือว่าเจ็บมาก็ต้องอดทนสู้หน่อยสู้เพื่อให้จิตมันตื่นเพื่อให้มันหายง่วงหายซึมได้ด้วยวันยูเยบทก็ได้รู้สึกว่านั่งอยู่ยังไงหรือลุกขึ้นเดินจงกรม อ, อยู่กับการเดินเยบดเดินได้ เดินไปก็สังเกตไปเดินแล้วมันรู้สึกยังไงขึ้นมาบ้างในขณะที่ก้าวไปในขณะที่เดินไปหรือว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างก็สังเกตทั่วกายเราก็ได้หรือว่าสังเกตรายละเอียดยีบอดเล็กๆน้อยๆเขาเรียกซ้ำปัญญาหรือบางคนก็พอจิตสงบพับมันไม่ดูอย่างอื่นนะอาการ32นี่เป็นจริตของเขาเขาเคยทํามาผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปท่องให้มันได้มันจะได้คล่องเอาบางคนก็มีความชำนิชำนาญนะมันจะรู้สึกขึ้นมาได้เองว่าเฮ้ออันนี้มันรู้สึกมันถูกใจพอได้ฟังแล้วมันแม่มันน้อมไปในทางสงบเอาเลยผมขนเล็บฟันหนังก็ได้เนีมันจะหาความพอดีของมันถ้าจิตมันมีกําลังขึ้นมาเพื่อปล่อยวางกายนั่นเองเนี่ย บางคนก็แทนที่จะไปดูอาการ32เป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะมันไม่ดูอะเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟลมมากกับรั่วเนี่ยสักธาตุลมไปร้อนขึ้นมากธาตุไฟนั่งเฉยๆมันแค้นแข็งมันเป็นทื่อๆอยู่ก็เอานิธาตุดินน้ำลายออกมาบ้างน้ำเสลดบ้างเหงือบ้างเอาน้ำธาตุน้ำเนี่ย แล้วก็เข้าใจไปด้วยข้างในเข้าใจจิตเข้าใจโอนี่เองธาตุดินน้ำลมไฟหรือบางคนก็เอนึกถึงดูกายแล้วกันนึกขึ้นมาว่าอตอนเราก่อนจะเกิดมาเป็นยังไงนะคนจะเกิดเนี่ยพ่อกับแม่พ่อกับแม่ธาตุของพ่อไข่ของแม่ต้องผสมกันเชื้อของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันผสมกันแล้วก็ เป็นหยดน้ําเล็กๆวิญญาณนาฏวิญญาณก็อย่างลงมาจากไหนไม่รู้พวกนี้เกิดเองไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆเป็นหยดน้ําเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเชื้อของพ่อก็เหมือนกันนะมองด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นหรอกเป็นหยดน้ําแต่ถ้าส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์โอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยนะไอ้เชื้อบวกเนี้ยอ่ะเนี่ย มันก็เข้าไปผสมกับไข่ปั๊บแล้วก็ฝังลงไปในมดลูกไงคราวนี้มันก็อยู่ได้ยังไงล่ะมันก็อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟจากอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปหล่อเลี้ยงมันก็ดูดซึมเข้าไปก็เจริญเติบโ ต, ตขึ้นเจริญเติบโ ต, ตขึ้นจึงว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันมาจากธาตุดินน้ำลมไฟทีแรกก็ธาตุพ่อธาตุแม่ต่อมาก็อาศัยธาตุจากอาหาร ที่แม่รับประทานเข้าไปคือธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองเพราะอาหารที่เรารับประทานมันมาจากไหนก็มาจากดินเป็นผักเป็นพืชเป็นอะไรก็มาจากดินดูดซึมเอาน้ำเอาดินเอาปุ๋ยเอาอาหารอะไรเข้าไปท่านจึงสรุปว่ามันมาจากธาตุดินน้ำลมไฟแต่คนเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องกินสัตว์ด้วยสัตว์ก็มันอยู่ได้ยังไงมันก็สัตว์มันก็กินพืช สัตว์มันก็กินพืชซะก่อนกินพืชมันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยเข้ามาอีกอ่ะรอเลี้ยงนี่แหละสรุปแล้วคือมันทีแรกก็ไม่ได้มีเราเลยนะมันไม่มีเราตั้งแต่ทีแรกเลยนะเนี่ยเอาชาตินี้เลยอะ่ะมันก็ไม่มีเราเลยนะโลกเราก็ชาตินี้ตอนแต่แรกก็ไม่มีเราต่อมาก็เอาพ่อกับแม่ธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันเข้าไปเป็นหยดน้ําเล็กๆเนี่ย จเริ่เติบโตขึ้นมาคลอดออกมาแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอะ่ะเป็นผู้ใหญ่แก่ลงแก่ลงที่นี่สุดท้ายตายธาตุลมไปเวลาตายธาตุลมก็ไปด้วยธาตุลมไปเลยธาตุลมไปแล้วธาตุไฟก็ดับคนตายจะเย็นธาตุไฟดับแล้วก็ธาตุน้ำอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่มีลมไฟประครัประคองก็ไหลออกมาแล้วเหยไปหมดไม่มีเหลือสุดท้ายก็เป็นดินธาตุดินที่นิหารเราไม่เจอเลยเพอทำความเข้าใจจริงๆมันไม่มีเรานะไอ้ร่างกายเป็นเราชั่วคราวเยอะๆไอ้ความหลงที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอัตตาสูงๆก็เบาลงเพราะมันมาหลงร่างกายว่าเป็นเราแต่ที่จริงมันไม่มีเราอะ ชั่วคราวเฉยๆเกิดธาตุดินน้ำลมไฟมาประกอบกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเราแต่เป็นเราก็เป็นเราชั่วคราวถ้าใครมีชีวิตอยู่แล้วมาศึกษาธรรมะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเนี่ยมันจะเข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตมันจะปล่อยวางมันจะไม่ค่อยเอาอะไรมาเป็นทุกข์เพราะมันรู้ว่าเริ่มต้นก็ไม่มีเรา ตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือว่าเป็นเราอีกเลยแล้วระหว่างมีชีวิตอยู่แล้วมันเป็นยังไงล่ะโอ้ปัญหาเยอะแยะเลยเพราะความหลงนี่เองหลงว่ามีเรานี่เองเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยอะจุกจิกอยู่คนเดียวกันนึกขึ้นมาปรุงแต่งไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเกี่ยวข้องกันกระทบกัน ก, ก, นกม็มาปรุงมาแตง่งไอ้ของที่ไม่มีเนี่ยมันสร้างทุกข์ให้กับเรา เพราะความยึดของเราเพราะความหลงของเราเองพระพุทธเจ้าท่านกำสอนให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันหาย ห, ายหลงให้มันเข้าใจเสียเข้าใจว่ามันีม่อะไรเป็นเราเป็นของเราให้จิตใจนี่มันก็เป็นแค่นา ม, มาธาตนะุานา ม, มาทำเฉยๆนะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปูงแต่งอารมณ์ไปปุ้งแต่งแล้วก็ดับซะด้วย ไม่มีตัวตนแต่ว่าเราทำไมเป็นหลงยึดแมก้กระทั่งความคิดบางทีคิดเรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางไม่เป็นอีกแถมยังชอบคิดให้เป็นทุกข์บ่อยๆด้วยคนที่เป็นทุกข์นี่ชอบคิดแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันจึงทุกข์ซ้าแล้วซ้าอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไอ้อันที่จริงความคิดนี่เกิดแล้วก็ดับ นี่แหละมันจึงจำเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงมันเข้าใจแล้วมันถึงจะปล่อยจวางได้ทีนี้เมื่อปฏิบัตินี่มันเนื้อหามันความสำคัญก็ตรงที่สติรักษาจิตได้วิธีไหนทำให้จิตเราอยู่กับตัวเราได้เราทำเมื่อจิตมันอยู่กับตัวเองได้แล้วเนี่ยเป้าหมายสาคัญก็คือให้มีสติสัมปชัญญะ มีสติซ้ำปัจัญญานี้เพื่อรักษาจิตให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเข้ามาตั้งมั่นในทีน่นี้มันแน่วแน่แน่วแน่อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่ความความจำเป็นมันจึงต้องมีกําลังซะก่อนมันจึงต้องมีสมาธิลองรับอยู่แต่ต้องเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่ใจตั้งมั่นแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้หมดแต่ว่ามันไม่ไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นมันอาจจะจดจ่ออยู่กับอารมณ์ข้างในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันชัดเจนมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ขณะเดียวกันอะไรเกิดขึ้นรู้มันอาจจะสนใจใส่ใจหรือไม่ใส่ใจก็อีกเรื่องหนึง่งแต่รู้ได้ หรืออะไรเกิดขึ้นมันมันมันมากระทบจิตแต่จิตก็ไม่ไหลไปไหลไปก็รู้ทันมันรู้ทันมันมันก็จะดับนี่พยายามให้มันรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่เขาจริงเร็วมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็ต่อเมื่อเราเมื่อจิตมันนิ่งแล้วจิตมันอยู่แล้วมันพอที่จะตามดูกายได้ก็ตามดูกาย หรตามดูเวทนาพูดถึงเวทนาเนี่มันเจ็บก็จริงนะเวลานั่งใหม่ใมันจะเจ็บมันจะปวดมันเจ็บปวดนี่ถ้าได้ต่อสู้มันจะดีมันทําให้เราได้ต่อสู้ทําให้จิตมีกําลังบางคนก็กลัวเจ็บกลัวปวดไม่สู้ไม่สู้จิตก็อ่อนไม่มีกําลังก็ต้องได้ลองกันแต่ใครเจ็บใครได้ป่วยสุขภาพไม่ดี ก็อ า, อาจจะทดลองพอได้ประโยชน์พอได้เห็นว่าเวทนาเนี่ยสู้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องได้ลองดูถ้ามันสู้แล้วมันตื่นดีก็ใช้ได้ตอนแรกก็ต้องการกํำลังเสีก่อนสู้แล้วมันมีกําลังต่อมานี่ตัวจิตเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นได้จิตมีกํำลังแล้วจิตก็เป็นจิต จิตก็จะเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่จิตเวทนาอยู่ที่กายนมันก็เพค่อยๆปล่อยวางเวทนาปล่อยวางกายได้มันเจ็บมันปวดก็ต้องอดทนทุกเพื่อออกจากทุกนี่คุ้มค่าบางทีเรายังไปทําเรื่องที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากมายโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเป็นโทษก็เราก็ยังทาแต่อันนี้เรามาปฏิบัติธรรม ถึงจะทุกข์บ้างแต่มันเป็นความทุกข์เพื่อออกจากทุกข์มันก็คุ้มค่าได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวทนานี่ควรจะได้ดูมันก็มีทั้งเวทนาที่มันเบาๆซะก่อนก็เอาดูไปเวทนาทางกายเวทนาทางจิต แ, แรกๆก็เวทนาทางกายนี่ละก่อนมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งหนีมันดูมัน จะเป็นเวทนาทั่วกายก็ได้หรือว่าจอดูตามร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะถ้ามันเจ็บปวดมาเป็นจุดมันแรงขึ้นมาก็อย่าเพิ่งถอยมันอดทนซะก่อนสร้างกำลังให้กับจิตเราให้มันมีภูมิต้านทานขึ้นมาต่อมาถ้าจิตมีกำลังขึ้นมาก็แยกออก เวทนาก็เป็นศัพท์ว่าเวทนาไปไม่ใช่จิตหรือมันแรงขึ้นเนี่ยโอ้ยิ่งดีเลยได้มีโอกาสได้ฝึกปล่อยวางเลยฝึกสู้เลยแล้วมันจะหาปัญญามาอบรมเองนะเ อ, อถ้าใครเป็นนักต่อสู้มันจะหาปัญญาเจ็บแค่นี้ทนไม่ได้เหรอเนี่ยเนยมันสู้มันสู้ อ, อ, อ่ะแล้วเวลาจะตายเนี่ยมันจะเจ็บขนาดไหนเนี่ยถ้าร่างกายมันจะแตกสลายแจกจะดับเนี่ย จนจิตเราทนไม่ได้มันจะขนาดไหนคนเกิดมาแล้วไม่ตายมีเหร อ, อแล้วก็มันไม่ถึงแค่นี้ไม่ถึงกับตายด้วยแต่มันจะได้ประโยชน์มีสติก็ดีสมาธิดีขันติก็มีวิริยะมนะีสุดท้ายก็เห็นว่ากายไม่ใช่ของเราวินาไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราก็วางได้มันก็ไปสู่ธรรมะได้เหมือนกัน แต่เวทนานี่มันก็ต้องเจ็บหน่อยอ่ะแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์อ่ะเราเน้นที่ประโยชน์เน้นที่จิตของเราเนี่ยมันเข้าใจแล้วเวทนามานี่มันดีมันหายง่วงหายซึมเพราะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนง่ายๆสู้มันเลยอดทนเอาเลยเนี่ยลองดูเลยเราจะได้รู้ว่าสู้แล้วเป็นยังไงเรพูดถึงจิตไอ้จิตนี่ก็นำมาทำในจิตเรามันจะมีสัญญาอยู่ ในจิตแต่ละคนมันจะมีสัญญาอยู่เวลาเราชัวตาไปกระทบเห็นปับ๊บเห็นปั๊บในขณะที่วิญญาณนธะาวิญญาณของเรานะี่ไปรู้อารมณ์พับในตัววิญญาณหรือในตัวจิตเนี่ยมันจะมีสัญญามันรู้ทันทีปั๊บเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะสัญญามันอยู่ในนั้นสัญญามทํางานรวดเร็วมากรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะมีสังขารเป็นผู้หญิงผู้ชาย แล้วมันรู้สึกยังไงเนี่ยมันก็มีเวทนาอยู่ด้วยเว่ามันมีสัญญามีเวทนาแล้วมันก็ปรุงแต่งถ้ามันดีมันสบายมันก็อยากเอาเข้ามาถ้ามันไม่สบายนก็ผลักต้านก็สังขารก็ปรุงไปตามนั้นแหละมันปรุงนี่มันมันปรุงนี่มันมันเกิดร่วมกับจิตะไออารมณ์พวกนี้เกิดร่วมกับจิตแต่จริงๆมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอักมันเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตตั เป็นสังขารนะ่ะเป็นพวกสังขารนะ่ะมันก็อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับแต่ว่าตอนนี้เรายึดจิตอยู่เราก็ยึดพวกนั้นว่าเป็นเราด้วยยึดพวกนั้นว่าเป็นจิตด้วยก็ต้องดูไปจนมันแยกออกดูไปมันจะงแยกออกหมดอะ่ะเพราะจิตเนี่ยมันมันเป็นาธาตุรู้เฉยๆพวกสังขารพวกสัญญาพวกสังขารพวกเวทนาพวกเนี้ย มันเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเราก็เลยหลงว่าเป็นจิตเพราะฉะนั้นตอนแรกๆตามดูจิตก็ตามดูพวกนี้ไปก่อนตามดูพวกเนี่ยสัญญาเวทนาสังขารของจิตเนี่ยตามดูไปก่อนตามดูพอพอมันมีกำลังก็มันจะแยกออกมันจะแยกเมือเราตามดูเวทนาทางกายดูไปดูไปทีแรกมก็เป็นเราเจ็บเราปวดดูไปดูไปมันก็แยกออกเวทนาเอา มันเป็นเวทนานี่นา ม, มันอยู่ที่กายในนามไม่ใช่จิตนีนนายจิตเราก็เฉลาดขึ้นมีปัญญาขึ้นมาแล้วแล้วมีหลักในขณะปฏิบัติเนี่ยกลัวขึ้นมาก็ต้องรู้ด้วยมันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ทันพยายามให้รู้ <c oughs> พวกนี้เป็นสภาวธรรมสภาวธรรมมายถึงเป็นผล ผลที่เกิดจากการปฏิบัติไม่มีตัวตนหรอกวงนี้เกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปหน้าที่ของเรามีหน้าที่ปล่อยวางอย่างเดียวเลยพราะรั์สั้นที่สุดก็คือทําเหมือนไม่เอาอะไรอะวางอย่างเดียวเลยปล่อยเลยอะไรมาก็ดูเฉยๆดูเฉยๆดูเฉยๆดูแลปล่อยด้วยมันจะเกิดจะดับชั่งมันไม่เกิดไม่ดับชั่งมันเอางี้เลยชั่งมันไปเลยถ้าจิตมีกําลังชังมันได้เลยชั่งมันชั่งมันอะไรโผล่มาชั่งมัน พอเราชั่งมันได้จิตก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยแล้วอยู่เฉยแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเลยนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็เออๆไปลอยๆเพลินๆไปไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นโมหะไปกลายเป็นความหลงไปต้องให้รู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอด เพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตของใครปฏิบัติแล้วมันยังไหลออกไปข้างนอกอันนี้จำเป็นต้องควรบริกรรมก็บริกรรมควรดูอะไรก็ดูไปถ้าดูลมแล้วรู้สึกว่ามั น, ม, นมันกระชับดีก็ดูลมได้หรือว่าดูอิยบท หรือว่าดูเหย่าบดเล็กๆน้อยๆสังเกตรายละเอียดของมันหรือว่าดูเป็นอาการ3 2เป็นปฏิกูลเป็นอสุพะหรือว่าตามดูเป็นธาตุดินน้าลมไฟหรือจะนึกถึงซากศพก็ได้ศพคนศพสัตว์ได้หมดเลยแล้วก็น้อมเข้ามาสูดด่้ายเราก็ต้องตายเหมือนกันเราก็เป็นแบบเดียวกัน คือทาแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลกับเราอ่ะมันพอดีกับจิตเราจิตเราคลายออกจิตเราปล่อยเราวางได้เอาเลยเนี่ยส่วนใหญ่นี้จิตไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ทาเราทาไม่ได้ต่อเนื่องเพราะเราเป็นคารวะมันมันไม่ค่อยต่อเนื่องมันก็เลยไม่ค่อยมีกำลังเพราะนั้นต้องพยายามเน้นเน้นให้มีสติรักษาจิตเอาไว้แล้วก็ให้จิตอยู่กับตัวเราให้มากๆ เอาไว้แต่ได้จังหวะแล้วมันลงตัวก็มีด้วยนะมีเหมือนกันได้จังหวะแล้วมันจะลงตัวของมันแล้วเวทนาก็เอาดูได้ต้องอดทนสักหน่อยหนึ่งทนเจ็บทนปวดทนเมื่อยทนมึนทนชาสู้กันไปจนจิตเรามีกำลังมันจะแยกออกมึนก็เป็นหนึ่งชาเป็นหนึ่งเจ็บเป็นหนึ่งปวดเป็นหนึ่งสักแต่ว่ากายสักว่าเวทนาไปแยกออกไป จิตก็เป็นผู้รู้ไปแล้วก็ตามดูอาการของจิตตามดูจิตเนี่ยนะตามดูอาการของจิตนั่นแหละก่อนเช่นความคิดนึกอะไรต่ออะไรความรู้สึกของจิตอะตามดูมันไปพอจิตมีกำลังมันก็แยกออกอีกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งสรุปแล้วก็มีผู้ดูกับสิ่งถูกดูเท่านั้นเองมีผู้ดูกับสิ่งถูกดู ถ้ามันวางสิ่งถูกดูได้มันก็เหลือผดดู้ดูผู้ดูก็คือตัวจิตกลายเป็นรู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้อันนี้พูดเพราะว่ามีผู้ที่เขาสามารถรู้อยู่ที่รู้ได้ก็มีเราเราพูดธรรมะก็คือพูดตั้งแต่ต้นๆขยับขยั บ, ข, ยบขึ้นมาเรื่อยๆืยๆ ถ้ามันยังปล่อยวางกายไม่ได้ก็ตามดูกายตามดูเวทนาไปตามดูกายตามดูเวทนาถ้ามันมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะมาพีจาราข้างนอกด้วยว่าเออเอาบางอย่างเนี่ยไอ้มีกายเนี่ยไอ์ร่างกายเนี่ยพอเรามีร่างกายสิ่งที่เราต้องการเอามาเพื่อร่างกายมันเยอะมาก เสือ้อผ้าแพรพัน อ, อ, อ, อ, อาหารการกินเครื่องใช้ไม้ซ้อยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อร่างกายทั้งนั้นถ้าเราไม่ทําความเข้าใจเรื่องร่างกายเราก็จะยึดสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ว่าเราเอามาเพื่อล่างกายเราก็จะไปหลงสิ่งทั้งหลายในโลกที่เราเอามาเพื่อล่างกายนั้นเพราะาเรื่องร่างกายนี้มันปิดกั้นธรรมะเยอะแยะเลยมันก่อเกิดเป็นกิเลสตัณหาอุปท า, านมากมาย เพรา ะ, ะเมื่อพินากายนะมันต้องพินาอารมณ์ที่มันมาเกี่ยวข้องกับกายด้วยสิ่งทั้งหลายที่เนื่องด้วยกายด้วยมันจะได้คายออกไปคายออกไปคายจากกายไปก็บคายจากพวกหลบเสียงกลิ่นลดสัมผัสที่เราอยากเอามาบำรุงบำรเรอบนเปนลร่างกายเนี่ยมันก็จะคายออกไปด้วยกันเบาไปเบาไปเบาไปจนกว่ามันจะปล่อยวางกายได้ปล่อยวาง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้คราวนี้มันจะเข้าไปหาจิตเลยเข้าไปหาจิตเลยจิตล้วนๆเลยจิตชนิดที่ไม่มีพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาดึงมาดูดออกไปได้มันจะเข้ามาอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่าตามดูจิตอย่างแท้จริงก็คือมาถึงตรงนี้ตามดูจิตโดยอัตโนมัติจิตตามดูจิตแค่ตามดูรู้แล้วก็ สอนอบรมจิตให้ปล่อยให้วางไม่เอาเรื่องไม่สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาในจิตคราวนี้ก็เบาแล้วทีนี้สุดท้ายก็วางจิตหมดเลยจบเลยสุดท้ายจิตนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสมัยเป็นคารวาตอาา่ะอาานน่อ า, านอ่านหนั่งอ่านในไอประวัติของท่านเว้ยหลังประวัติของท่านเว้นหลังท่านพุทธทาสนี่แหละแปลออกมา เป็นองค์แรกเลยนะที่เอาไสเซนมามาแปลเราก็ไปอ่านอ่านก็ทำความเข้าใจการทำความเข้าใจอ่านประวัติของท่านตอนท่านไปไป ท่านได้ยินได้ยินเขาสวดมนต์สวดมนต์สวดประสูติทองพระสูตรฟังปุ๊บเข้าใจเลยเนี่ยคนที่มีบา ร, รมีเคยสังสมมาก็เป็นคนที่ตัดฟืนขายตัดฟืนขายพอฟังเสียงสวดมนต์ปั๊บเกิดความเข้าใจทุกซึ้งอยู่ในจิตเลยไปเลยไปวัดเลยไปหาสังฆราชเลยในนั้นก็เป็นสอนกัน สอนธรรมะกันท่านก็ไปสมัครเข้าไปอยู่สังฆราชก็ให้เป็นให้เป็นคนทําปรุงอาหารน ะ, ะหุงข้าวอะไรแบบนี้ล ะ, ะหุงข้าวฟืนหุงข้าวทําไปก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสมเด็จสังฆราชสังฆราชเนี่ยก็อยากทดสอบลูกศิษย์ ปัญญาของลูกศิษย์ว่าใครถึงไหนละเขาทดสอบกันก็เลยประกาศว่าให้เขียนกรอนสรุปธรรมะออกมาให้เขียนกรอนสรุกเขาใช้คําว่าสรุปถ้าภาษาเราเรียกว่าธรรมะเรียกว่ากรอนเป็นสรุปทีนี้ก็มีอาจารย์ซึ่งเป็นรองซึ่งก็เป็นรับผิดชอบสอนลูกศิษย์แทนสังฆราชบางอะไรบ้างมีพระพวกเยอะมีลูกศิษย์เยอะ พอท่า ส, สังฆราชประกาศอย่างนั้นก็เขียนสโลเขียนกอรเลยกายเหมือนกรอบไม้โพกายนี่เปียกเหมือนกรอบไม้โพจิตเหมือนกระจกแม่ต้องมันเช็ดมันทูกระจกเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาก่อคือฝุ่นมาก่อต้องมันเช็ดมันทูออกไปมันจะได้สะอาดสังฆราชผ่านมาก็อ่าน อันนี้เป็นกรอนของใครอ๋อท่านชินชาวท่านชินชาวหมายถึงอาจารย์ลองจากท่านสังฆราชนั่นแหละโอ้ให้อ่านนะท่องนะแล้วก็ไปปฏิบัตินะท่านก็ฟูดแค่นี้แล้วก็ผ่านไปนี้ท่านเว่ยหลังเนี่ยท่านเว่ยหลังเป็นพ่อครัวก็เดินผ่านมาก็เห็นกรอนอยู่ข้างฝาก็ถามคนท่านอ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะเอานี้นี่กรอนนี้ของใครอ๋อท่านชินชาวสังฆราชท่านให้สรุป ธรรมะออกมาเป็นกรอนลองอ่านให้ฟังสิกายเหมือนกรอบไม้โพจิตเหมือนกระจกต้องมันเช็ดมันถูกระจกเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันมาเกาะท่านเวลังก็เลยบอกว่าเอาช่วยเขียนให้หน่อยสิก็มีสรุปบ้างอยากเขียนบ้างเอาเป็นพวว่อครัวเนี่ยมันจะรู้เรื่องรู้ราวเหลอือขนาดอาจารย์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ในี่านยังแต่งสโลปได้ขนาดนี้ ได้แค่นี้อ๋อลองลองดูลอ ง, ลอ ง, ลอง ด, องดูช่วยเขียนให้หน่อยกรอบไม้โพก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีแล้วฝุ่นมันจะเกาะอะไระแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาอ่านให้ฟังเขียนถูกต้องแล้วก็ไปนีสังคราลาดผ่านมาเอา้าก้อนของใครเนี่ยท่านอ่านสังคัลาดมาอ่านดู กอบไม้โพก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีฝุ่นจะเกาะอะไรฝุ่นไม่เกาะก็ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทูอะไระรู้ทันทีคนเขียนนิทะลุแลถึงละจิบว่างแลไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนแลแต่ว่าคนครัวเขียนกรได้ขนาดนี้มันก็จะไปกดดันคนอื่นน่ะสิ นี่มานะทิฏฐิอะไรมันมีเยอะนะั้นในผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันแ่ะในที่ไหนๆมันก็น ม, นมีทั้งนั้นแหะความอิจฉาริษยาก็มีการแข่งขันแย่งชิงอะไรกันก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นอันตรายท่านสังฆราชก็เอารองเท้าถอดรองเท้ามาแล้วก็เอาไปถูๆๆลบอ่ะลบลบกลัวลูกศิษย์เป็นอันตรายเสร็จแล้วก็เดินไปหาเดินไปหาก็ถามไทยว่าเออ ข้าวเนี่ยมันได้ที่หรื อ, อยังกำลังหุงข้าวหรืออะไรนี่แหละได้ที่หรื อ, อยังก็คือเป็นปิิศนาธรรมนะคนฟังก็เข้าใจทันทีว่าสื่อเขาไปหาจิตทันทีเลยสื่อเขาไปหาจิตอ๋อได้ที่แล้วครับรอการกันกรองนะรอให้มีผู้มากันกรองเท่านั้นเองพูดแค่นี้ท่านก็เอาไม้เทา้าเคาะหัวต๊ตอกตอ ก, ต ก, ตกสามทีแล้วก็เดินผ่านไปท่านเว้หลังก็รู้ทันทีว่า ท่านสังฆราชเนี่ยต้องการให้ไปพบตอนตีสามเนี่ยปริสนรทรดังนั้นนะ่ะเพราะว่าอันนี้คงจะรู้ว่าละจิตซึ่งกันและกันนั่นเนี่ยถึงทาแบบนี้ได้จิตต้องมีคุณภาพมากพอตีสามก็เข้าไปหาเข้าไปหาท่านสังฆราชก็เอาบริขารให้นะมีสังขารติกับบาทนะเนี่ยมีสังคาติมีบาทมีสังขาติอันนี้เป็นเครื่องรับรองว่า มอบหมายให้สืบทอดความเป็นสังฆราชนั่นเองแล้วก็ให้หนีไปก่อนต้องหนีไปก่อนนะให้หนีไปทางใต้ลงเรือไปไปส่งไปส่งลงเรือกลางดึกเลยนะไปกลางดึกไปต่อมาสิบหปีต่อมาท่านก็ออกมาเผยแผ่ธรรมนะท่านเวลังที่กําลังพูดถึงนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนั่นเองกลาย เหมือนกอกไม้โพนี่แสดงว่ามีกายอยู่จิตเหมือนกระจกต้องมันเช็ดมันทุกกระจกแต่พอจิตมันเข้าไปถึงจริงๆริกายก็ต้องไม่ใช่ของเราไม่มีไม่มีมันเริ่มต้นมาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหยดน้ําเล็กๆต่อมาก็เจริญเติบโตมาสุดท้ายก็เผาลงไปตายลงไปก็เผาไปก็เหลือแต่เท้าฐานไม่มีอะไรเลยในร่างกายแม้แต่จิตก็เป็นนา ม, มาทำเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ พอเข้าถึงจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยปล่อยวางหมดเลยจบเลยถ้าใครวางได้เพราะเป้าหมายการปฏิบัตินี้เพื่อการปล่อยวางผลของการปฏิบัติก็ต้องวางด้วยไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ปฏิบัติพอจใจปฏิบัติพอจใจสร้างเหตุเท่านั้นเอาต่อไปนี้ก็จะให้ปฏิบัติเลยนะเพราะที่มานี้ก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะก็มากมายนะอยู่ใน u t u b บอยู่ใน นนสีดีอยู่ในหนังสืออยู่ในสื่อทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราฟังธรรมะเหล่านั้นเพื่อเอามาปฏิบัติให้มันธรรมะมันเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในจิตของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เนี่ยประกาศเอาไว้ ประทานเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงเข้ชนอยู่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นก็จะมาเกิดขึ้นที่จิตของเราสติก็ต้องอยู่ที่จิตของเราสมาธิ อ, อยู่ที่จิตของเราปัญญาอยู่ที่จิตของเราวิทยายุที่จิตของเราศรัทธายุที่จิตของเราเป็นเรื่องของจิตหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ตั้งใจปฏิบัตินะทําความรู้สึกตัวนะ ทำความรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตด้วยว่าตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงนี่เรียกว่าสัมปชัญญะมีสติแล้วก็มีสังเกตการสังเกตรายละเอียดจิตเราอยู่ยังไงจิตเรากำลังดูอะไรอยู่ดูแล้วเป็นยังไงมีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้ไหมอย่างร่างกายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันต้องตาย มันต้องตายตายแล้วถ้าเก็บเอาไว้มันก็เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเอาไว้ไม่ได้นี่แหละร่างกายที่มันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้แหละที่มันเป็นเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละตายลงไปทิ้งเอาไว้สองสามวันอืดขึ้นมาแล้วเขียวหรือว่าช้ำเลือดช้ำหนองขึ้นมาแล้ว สุดท้ายก็ต้องไปเผาไฟเผาเผาแล้วก็เหลือแค่ขี้เท่ากับกระดูกนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในส่วนที่เป็นร่างกายมันก็แค่ขี้เท่ากับกระดูกก็คือไม่เหลืออะไรเลยอย่าไปหลงมันยึดมันอย่าไปยึดมันนี่คือเอาจิตเอาจิตมาสัมผัสรู้ที่กายหรือมามองดูกายมารู้อยู่ที่กาย แล้วก็ทำความเข้าใจเลยว่านี่แหละถ้ามันตายลงไปวันนี้ถ้าเผาไฟลงไปวันนี้ก็เหลือขี้เท่ากับกระดูกขี้เท่ากับกระดูกเป็นเราได้ไหมเขาก็ต้องเอาไปโปลยลงไปในน้ำลอยอังคารเขาว่าหรือทิ้งเอาไว้กับกลายเป็นดินกลายเป็นปุ๋ยเราหายไปเลย ร่างกายของเรานี่หายไปเลยแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยอีกไม่นานมันก็ไม่ใช่ของเราแน่นอนแล้วเราต้องปล่อยวางมันให้ได้ยอมรับความจริงจิตเรายอมรับได้ไหมนี่คือมองดูจิตจิตมองดูร่างกายแล้วก็ถามจิตว่ามันมันเข้าใจไหมมันยอมรับได้ไหมว่าร่างกายอันนี้สุดท้ายมันต้องไม่ใช่ของเรา เป็นเราอยู่เดีนี้ก็ชั่วคราวเฉยๆมันจะอีกกี่ปีล่ะตอนนี้อายุเราเท่าไหร่แล้วคนสมัยนี้อายุทางร่างกายก็เฉลี่ยเจ็ดสบห้าปีเรากี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าบหบเจ็ดสบใกล้เข้าไปแล้วบางคนก็เลยเจดสิบไปแล้วมันก็ยิ่งใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ถึงจะเกินไปบ้างก็ไม่มากแต่สุดท้ายก็ตายเหมือนกันหมดสุดท้ายตายเหมือนกันหมดนี่จึงว่าฝึกจิตเนี่ยให้มันรู้จักปล่อยวางไม่ใช่ไปจะเอานุ่นเอานี่นะไม่ใช่เอาจะความสงบจะเอานิมิตจะเอาแสงสีจะเอาความดื่มดำ่ำความลุกซึงไม่ใช่เพื่อปล่อยวางนี่เองเพื่อไม่เอาเพื่อไม่เอาเพื่อไม่ให้จิตเราไปยุ่งกับอะไรไม่ต้องไปเอาเพื่อปล่อยวาง แล้วเวทนาล่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วเวทนามันทางกายมันใช่ของเราเลยไหนเมื่อล่างกายสุดท้ายก็ทิ้งก็ต้องทิ้งไปด้วยกันหนอยเวทนาเนี่ยเขาฝึกปล่อยฝึกวางเสียเอามันเจ็บมันปวดมากมันก็เป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกจิตให้อดทนฝึกจิตให้เข้มแข็งจิตจะได้มีภูมิต้านทานจิตจะได้มีกำลังพอที่จะปล่อยวางกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ ถ้ามันปล่อยวางเวทนาได้มันก็ต้องปล่อยวางกายได้เพราะเวทนาอยู่ที่ร่างกายมันเนื่องด้วยกันอยู่เพราะมันจึงต้องเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตมาสอนจิตจึงให้จิตไปดูไปรู้ไปเห็นรู้เห็นแล้วก็ทำความขาดความเข้าใจไปด้วยยิ่งมีคนพูดให้ฟังอย่างนี้มันยิ่งสบายเราแค่ทำใจเราให้มีสมาธิขึ้นมามีกำลังพอที่จะรองรับเอาธรรมะได้ วันในสมัยพระพุทธเจ้าฟังธรรมะมันจึงเข้าไปถึงใจแล้วมันก็วางไปด้วยกันเลยเนี่ยจึงสามารถบรรลุธรรมต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพเจ้าทะลุอัธยาศัยแต่เราก็อาศัยเอาความจ ร, ริงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูดเพราะร่างกายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเวทนาก็อยู่เกิดที่ร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราสิยิ่งเอามองดูร่างกายมองดูเวทนา ดูเฉยๆยิ่งพวกนามรรมาทั้งหลายไม่ว่าเป็นสัญญาสังขารหรือความรู้สึกทางร่างกายเวทนาทางกายไยทางจิตเป็นนา ม, มารมหมดเลยอ่ะเกิดแล้วดับหมดด้วยไม่มีหรอกความคิดของคนเราเกิดแล้วไม่ดับมันต้องดับ ความรู้สึกทั้งหลายสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่ามันเกิดดับเหมือนกันวิญญาณไปรู้อารมณ์แล้วก็ดับยิ่งดับเร็วเลยตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยอารมณ์แล้น ด, ดับทันทีเลยดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมจึงมาหาความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีเลยอะ่ะมันไม่ควรยึดเลยอะ่ะความจริงธรามรู้ความจริงมันยึดไม่ได้เลย แต่ทีนี้จิตของเรามันมันมันหลง ม, มานานอะ่ะทีแรกเกิดมาก็ไม่มีเราหรอกมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองต่อมามันก็มีความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นเหมือนจะเป็นเราจริงจังขึ้นมาเลยหนาเวลาอะไรมากระทบกระทบเราขึ้นมาเราก็เลยเป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็เลยหาทางออก พะพระเจ้าก็รู้แล้วว่ามันเกิดแผ่เจ็บตายเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเราจะออกจากมันได้ยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดสัลูท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อมันต้องออกทางจิตอะรู้ว่ามันจะต้องตายแต่มันยังไม่ตายที่นี่ร่างกายของเรามันยังไม่ตายก็ต้องหาอาหารให้มันป้อนมัน มันหิวต้องให้มันมันกะหายก็ต้องให้มันมันง่วงก็พาไปหลับไปนอนมันสกปรกมันเหนียวเนื้อเหนียวตัวมันคันก็เยอะขึ้นมาก็ต้องไปอาบน้าอาบทา้มันมันร้อนก็หาอะไรเย็นเย็นให้มันมันหนาวก็หาอะไรที่มันอบอุ่นให้มันหาเสื้อผ้าแผ่พันหาอะไรที่มันแก้เพื่อไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันเป็นทุกข์ มันก็เป็นภาระไปมันก็เลยคล้ายๆเหมือนจะเป็นเราจริงๆไม่ใช่อะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองถ้ายังมีกายอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละเราต้องอาศัยมันทําการทํางานทํานูน่ทนทํานี่มันยังไม่ตายมีชีวิตอยู่ก็ดําเนินชีวิตไปแล้วดําเนินชีวิตยังไงมีประโยชน์มีคุณค่าล่ะนี่แหละการได้มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ประเสริฐที่สุดเลยผู้เจ้านิสันเสริญ ธ, ธรรมะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าโลกไหนก็ตามเวลาใดก็ตามธรรมะเท่านั้นประเสริฐสุดเนีวันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมะได้มาปฏิบัติตามธรรมะแล้วธรรมะก็จะเกิดความลึกซึ้งเข้าวไปที่จิตของเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาต่อไปจิตเราก็ค่อยเป็นธรรม เป็นธรรมคื อ, อยังไงค่อยเห็นความจริงรู้ความจริงค่อยๆปล่อยวางสุดท้ายธรรมะก็คือการปล่อยวางรู้ความจริงแล้วปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยปล่อยวางก็คือไม่มีเรานั่นเองมันจึงวางได้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราจริงเป็นเราชั่วคราวเฉยเฉยสุดท้ายมันวางหมดเลยดับหมดเลยไม่ปรุงอะไรไม่คิดอะไร อยู่เฉยๆไปเลยนี่จึงเรียกว่ามันวางได้หมดจดจิตมันก็เลยเหมือนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกสังขารก็ดับไปหมดนะมันก็ไม่มีเรื่องราอะไรมารบ ก, กวนจิตใจของเราอีกต่อไปนี่การปฏิบัติก็เพื่อให้มันไม่มีทุกนั่นเองแล้วทุกคนก็ต้องการความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือความไม่มีทุกขนี่เอง จึงเป็นธรรมะที่แท้จริงของการเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ละครั้งแหละครั้งนี้ paz. เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานี่แหละเรียกว่าเห็นความจริงจิตมันจะคายออกคายออกคายออก เป็นไปเพื่อการปล่อยการวางเอาสุดท้ายให้บูชาพระบูตเจ้านะบูชาบูตเจ้าทำเหมือนไม่เอาอะไรเลยทําเหมือนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้เลยคือเนื้อหามันคืออย่างเนี้ยความจริงมันคืออย่างเงี้ยมันเป็นเราไม่ได้จริงๆกายก็เดียอมก็ตายจากโลกนี้ไปแน่นอนอยู่แล้ว วิทนาขนาดไหนก็ช่างมันก็เกิดอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตหรือวิทนาทางจิตมันก็แค่รู้สึกสบายไม่สบายเท่านั้นเองเราต้องไม่ยินดีไม่ยินล่เนี่ยรู้เท่าทันจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินไล่นั่นก็คือไม่เอาอะไรเลยเหมือนไม่เอาอะไรเลย หรือทําง่ายๆก็คือเอาถาวายเป็นพุทธบูชาทรมบูชาสังคบูชาเลยสงบมากสงบน้อยไม่เป็นไรเลยได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเลยถาวายเป็นธรรมบูชาสังคบูชาไปเลยมันก็ง่าย ทำเหมือนไม่มีอะไรเป็นของเราได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าก็เวลาสอนก็คือไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจะพูดธรรมะแง่ไหนมุมไหนแบบไหนก็เพื่อไม่ให้ยึดติดข้องในขันธานี้เองอุปทานในขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ให้ปล่อยให้วางจะปล่อยวางได้ก็ต้องปฏิบัตินี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็วางไม่ได้อยากวางก็กลายเป็นกิเลสกลายเป็นตัณหาอุปทานไป กลายเป็นอวิชชาไป ม, มีเราอยากวางเรามีหน้าที่สร้างเหตุปฏิบัติเลื่อยไปไม่ต้องมีความอยากอะไรเน้นที่ผลเหตุไม่เน้นที่ผ ล, เ น, นผลเน้นที่เหตุพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติผลแล้วแต่แล้วแต่จึงแล้วแต่ได้มากได้น้อยแล้วแต่ เอาสุดท้ายสุดท้ายให้ขอโอหสศีกรรมนะบางทีเรื่องกรรมอะไรนี่มันก็เป็นวิบากกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจของเราก็ให้อโหสศีกรรมไปบางทีมันก็ทําให้เบาบางลงไปนะหรือบางทีเราสํานึกนี่มันก็ทําให้เราไม่เก็บกรรมเอาไว้มันก็เบาบางลงไปได้เอาให้วาดตามนะกรรมใดก็ตาม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 ที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพระเจ้ายินดีให้อาภายัยให้อโหสีคำแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพระเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อาภายัย อโหาสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสิอโหสิอโหสิคราวนี้หมอไายทวายชีวิตบูชาพระรามสงฆ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอมอกกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอกกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระธรรมขอมอกกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์งว่าเป็นที่พึ่งที่ละลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปล ง, ปลปลงข้าพระเจ้าจะพระยายามยา ป, ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนสของพระพุทธเจ้า ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้ า, า, เ, จาเป็นผู้มีสติปัญญ า, ญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรร ม, รรรมพ้นจากทุกข์ ในวัตตะสงสา ร, ด, สสารด้วยเธออือนเอาคราวนี้อุทิศบุญนะรวบรวมบุญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้ามไว้ที่ใจของเราและก็ให้บุญให้บุญไปแล้วจะพูดแทนเลยนะเราไม่ต้องออกเสียงเราให้บุญอย่างเดียวนะขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน ให้เกีญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้ดเกีญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีบรรดาลูกหลานพี่น้องภู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ให้แกยาเตวดาที่รักษาและนายเวนของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้มีส่วนในการจัดการให้มีการอบรมมีส่วนอุปถรัรมภ์คำจุนมีส่วนบริหารจัดการดูแลแก้ปัญหาให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในห้องประชุมนี้อยู่ในบริเวณนี้ ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนที่ทํางานร้านค้าบริษัทในสมบัติประถานทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้เกตดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดและก็ให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไป อยากให้บุญใครก็นึกถึงคนนั้นขึ้นมามถ้าอยากให้บุญแก่คนนั้นมากๆก็ๆ อ, อนุญาตให้ใช้บุญของท่านอาจารย์รวมกับบุญของขาา้าพเจ้าแล้วให้ไปเลยให้ไปเกิดได้เลย นี่ก็พอแค่นี้นะต้องให้พอรอะไรก่อนไหมหรือยังไงให้พรเลยใช่ไหมเราเอาให้พรให้พรเพื่อใครจะไปยะท้ า, ทาวาิวาปุราปาริปุเรติสาครัง เอวะเมวะอิโตถินังเปตานังอุปะกะปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโซยัถามนิโยติระโซยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโะวินัสตุมาเตปวัตบรรยโยสุขีตีคายุโกภวะ อาปิวัตนะสีลิสนิจังุทธาปัยายิโนจัตาโรธรรมาวัตันติอายุโนสุขังพระลังภวัตุสะพมังคะหลังระคันตุสะพเทวตาสัพพุททานุอาเวนะสัพพะมานุอาเวนะสัพพังการุอาเวนะสัตตาสุตีภะวันตุเต บุญกุศลที่อตมาได้กระทำบาเพ็ญมาตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบนันรวมทั้งบุญกุศลที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ข้อบุญกุศลเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกๆท่านทุกๆคนในสถานที่แห่งนี้ด้วยเธอ